ถรากะมาท่านที่ที่จะปฏิบัติที่สัค้าวัตทรงประพงษ์ทั้งหมดเนี่ยถ้าจะงเจียรพัรษาสิ้นไปมี慢慢มเกือบร้อยเ้าสิบแปดตรง ท, ทาห้าษาขึ้นไปที่พษาลงมาเรียงนีนะครับอือถ้าว่านี่้าฝรั่งพระไทยไปรวมกันลอยกันมาท่้งนี้ก็ประกาศเจริญศาสนาได้มากครับอือ หนาพัรษาสุไใจมันประมาณเ ก, กือบร้อยที้พรรษาลงมานี่เลยนะมาเรียนใหมพวกนี้พวกเมืองเนีย่ยก็สนใจไม่รู้จะไหนทุกวันไปวัดประพง์ไปที่สนใจกรรมาฐานี่ไปดีๆมาดีๆไม่เคยขาดเลยคนะููคนสนใจพีนี้เลยมีโอกาสาที่มาเยี่ยมมีกันดีแค่หน่อยมาดู มาเที่ยนี่มีประโยชน์หลายมันมาถึงนี่มาแต่ก่อนเนพอสงสัยนี่ยมาถึงกรุงนินดอนทำไมก็อพอมองเห็นอืมเจนสิสไซเมืองกรุงนินดอนกับอเมริกันนี่แปลกกันเนาะอืมอเมริกันนี่แปลกกันอืมอืมถ้าหากว่าซึ่งเรคิดว่าจะมามันจะเป็นประโยชน์ในต่อไปนี่อืมแต่มีพระไทยเข้ามาภ็พร ะ, พระกรรมฐานเข้ามานะ ยาพระบริยัตเข้ามาพาะก็มาทานกนี้อันนี้พระฝรั่งแล้วนี่ก็หลายองค์นี่นี่อยู่ถ้ามาต้องควรพระไทยบางพระฝรั่งวางแยกกันลงมามาจะมาเห็นมันกินระเบิดได้อยู่ศาสนาเนี่ยเอาพระที่ประจัดในทางการเทิดธรรมทูตนั่นนะเทิดารรมคงจัดมานั่ะเกือบทุกประเทศมันจะมาว่ามันจะไม่ได้ผลนี่ย คือผ้าพวกนั้นมีเปเรียนหนังสือไม่รู้จักทํากรรมฐานทาง้งทางเมืองนอกนี่เขาชอบนั่งสมาธิสอบทากรรมฐานทั้งโน้นเรียนปริยัติมาไม่รู้จักกรรมฐานไม่เข้ากันนี่ืะโยมทางนี้ก็ไม่ค่อยเข้าไปนี่อย่างกุงเงินดอนนี่มาตั้งอยู่ฮันประชาชนชาวบ้านเขาไม่ค่อยเข้าไปคือไม่รู้เรื่องอันนี้อืม มานจะเป็นไปเป็นไปพ่อกรรมมาฐานเพื่อนกขามา้มาเมื่อก็มาฐานามาเมื่ อ, อไรน่มีหวงังทำสมาธิไปเลยมีหวงนะังอ่ะเห็นอืมจริตชุบชิโพอไง้อืมพ่อก็เห็นด้วยกันกับหลวงพ่อเขาก็นึกถึงอ่ที่เรคของเจอของ แต่ก่อนเมื่อเมื่อกอ็พยายามพยายามทำให้เกิดคุณนามความดีแต่ว่าทุกครั้งก็จะมี อ, ะอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นบดนทางเขาไม่ให้ผิดหวังทุกครั้งโพดีดินี้ก็มันคิ ด, ค, ดคิดอยู่ในชีวิตก็จะทำยังไงก็ถ้าจะทำอีกก็ ไม่ไม่ใจก็ไม่ค่อยไปไจะไปต่อสู้กับโลกผิวแช่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจพอดีวันนั้นก็ได้ยินผมพูดเรื่องกรุงลอนดอนเมืองกัมันสังวัตที่อังกฤษนั่นเขาเลยดีใจเพราะว่าเขาใช้ใช้ว่าใกล้เขามากสักเก้าเดืันจามืองไทยเราก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไร<ม>กำลังนึกจะไปทางใหนดี<ม> คนคิดนมีหลายนี่คนคนค น, คนโสดได้ไหมโสดหลายนคนโสดได้ไม่ใช่คนโสดนี่หลายนี่คิดจะไปไหรือหรืออยู่อะไรนี่ <c oughs> หลายวันนี้ถ้าเรามาคิดมาคิดไปพอดีพอดีเราก็เรียกว่าไวดีแล้วนะอือพอ พอที่จะ ท, ทําชีวิตคลองค้องให้เกินประโยช น, น์แล้วในายดูดุลนี้ก็นหนักแน่นนะพอสมควรอกุงเงินดอนที่เป็นจุดศูนย์กลางเลยเมืองไทยก็ขยับเข้ามาเมืองอเมริกาขยับเข้ามาเป็นศูนย์กลางกุงเงินดอนใครที่เรามาคนเดียวจะไหวเนึ่ยไงต้องแบ่งกันทุกคนทุกครึ่งนึงใครจะพอรับได้ครับ เอาคนละครึ่งน่วยทอมก็เป็นกรรมการคนหนึ่งบนเรื่องปฏิบัติธรรมน่ะกรรมการฐานคือเป็นเป็นเป็นผู้เบื้องแรกนะครับที่ได้ช่วยสร้างเดี๋ยวนี้ไม่กี่เหลเกี่ยวกับนอกจากจะไปปฏิบัติเท่นั้นไม่มีโปอยให้ใครนียคือมีกรรมการใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองอยู่ครับ แต่ห้าคนแต่ทอมทองไม่ได้เสงี่ยมนอนแบบนั้นพวกแต่ ด, แตดูอยู่แต่เจ้าหน้าที่นอกนั้นเจ้าที่พวกแมครัวที่ลุพ่อใเราได้เลี้ยงเรานั่นก็เปลี่ยนทุกปีและสองปีนะครับว่าแต่เขาจะสมอืรไม่เคหนักใจอะไรทำไมเดือที่นี้นะครั บ, รบเดืองที่เราทกากรรมฐานนี่ไม่ไม่ได้หนักใจอะไรมั้ง เข้ามครับเข้ า, ข, า, ข, าขอกแบรดี้เพึ่งด้วยผมด้วยเป็นบ้า น, น่า อ, อยูแถวรอสตันบาดีเร์แถวยูี่ในเมืองอย่าลืมป่านะพอลุนพอเทศกมันคือดีเท็เรื่อง ค, คอ อ, งคอยู่ในเมืองอยู่ในป่าดีเลยทำให้นึกคิดอะมาบ้าเรื่องเรื่องการอยู่ที่สำคัญเขาดีใจมากจ่ยญญายยาไว้ เห็นบ้านหนึ่งบ้านใส่เป<อ><ส>็นไบร์คเกิลลายลายด<ม>ีเรื่องหน้าเรืองสายๆๆ <ๆ S 2> เขาสร้างบ้านเขสร้างบ้านหลังไม่ใหญ่แล้วกันแต่ก็สร้างข้างบนที่ทํากรรมฐ า, า, านเข า, เ, าเรียงรอมใหม่เมื่อมาเวลาสมควรแล้วเรามานั่งพักผ่อน สักห้านาทีสิบนาทีเป็นอย่างนี้นที่ที่ข้าวถาม ท, ที่ที่มีร้องเพลแล้วก็ร้องคนคนเสียนอะไรที่ต้องรียไว้เ <c oughs> ขาจัดห้องใหญ่ๆพิเศษต่างหากสําหรับคอนข่ารกรมารมฐานมาทุกทุกคนที่ทําการรวมด้วยการลงค่าไปมา <c oughs> ใ, ในห้องนั้นวันลครั้งสองค <c oughs> รั้งเขารวมกับด้านรั <c oughs> นบมีวันไหนทำไมไม่ไดพักผ่ไม่ได้ห้องกรรมฐานพักผ่ก็เรียกว่า คนทำแต่งานไม่ไม่หยุดไม่กินผลของงานครับตามภาษาชายเลนคือว่าภาษาชายเลน์ก็ว่าเลี้ยงไก่ยจะกินไข่มันไม่ไปกินไข่มันจะไปกินที่ไก่ยังไง อยางนั้นคนทํางานไม่หยุดไม่มีกราฐานที่จะหยุดอยู่างนี้เมืองไทยเป็นยังไงส่วนมากแล้วเนี่ยไม่ทําไม่เลี้ยงไก่ไม่กินไข่มันกินขี่มันมังไข่ไม่มีการปฏิบัติน้อย <c oughs> มันก็ทำกรรมฐานอยู่ในบ้านมันก็ดีก็ไม่ทำํำบางคนเคยถามปัญหานจะมาเลย <c oughs> <c oughs> ลว่าเราจะปล่อยวางมันแด้เราทำอยู่ในบ้านได้ไหย ถ้ามันปล่อยวางหมดมันก็ได้มันปล่อยวางมันไปจะได้อือก็ต้องทําดีกว่าไม่ทําทําอย่างครวาสกําลังใจก็ได้ว่าเพิ่มเติกําลังใจมะทําะยิงยิงขึ้นมากครับเราขอขอบระชาอย่างสูงอาตานยน้อยมันมากเหรอถูกหยุดมันนะเขาเขาถามว่ายุดดี ทำสบายมันจะแบบหยุคที่ดีหรือว่ายุคที่เสื่อมถ้าพูดถึงธรรมะหยุดไหนมันก็ดีอย่าให้มันเป็นกฎหมายครับอย่าให้ยาให้มันเป็นบาปมันมันจะเจริญมันก็เพราะความเปลี่ยนแปลงมันจะเสื่อมก็เพราะความเปลี่ยนแปลงครัหาทางเจริญมันก็เจริญสมัยนี้มีสร้างบ้านทําที่นั่งกรรมฐานไว้สมัยก่อนไม่ค่ยมีเพิ่งมีมันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันดีโลกประสาทมันจะน้อยลง ออย่างนี้อย่างที่สองเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนอยาเสพติดไม่มีครับอย่างนี้มีโยมยาเสพติดกันเปลี่ยนแปลงกินยาเสพติดกันอันนี้เขเปลี่ยนแปลงไปหาทางเสื่อมคิดโดยคิตใจก็เปลี่ยนแปลงไหมมันก็เปลี่ยนทางบ้านเดีวยวบ่มากเหยือนอย่าคือควารอารมณ์บังคัคอยสัมบูรณ์การคิดนึกคิดอันนั้นปัญญามันมาก มันมันเป็นเรื่องศพบการในสถานที่ในยุคในสมัยของมันในสมัยนี้มันเดือดร้อนเมื่อมันเดือดร้อนวุ่นวายจะในใจของคนเกิดทุกข์ขึ้นมาทุกข์มีเมื่อความเกิดทุกข์ขึนมามันก็อยากจะไม่ให้มันทุกข์มันก็มองหาสังนาสังหลังตรงไหนเราจะออกจากทุกข์ได้จะทํายังไงจะคิดยังเมื่อเกิดปัญญาขึ้นมาวัตถุมันก็ช่วยไม่ได้มัน มันจะช่วยได้เพราะทําจิตให้มีกํำลังทําจิตให้มีกําลังก็เครื่องค่าที่จะให้มันคิดก็ให้มันคิดไปในทางที่ถูกถ้ามันหยุดคิดเดีก็วให้มันเข้ากรรมาฐานมีช่วยแล้วนะ ช, ช่วยตัวแล้วนะอต้พยายามทำทุกวันนะเืางานเสร็จบางว่า ง, า ง, า ง, า ง, างก็มาเดี๋ยวจะห้านาทีก็ยังมีเราจะได้เห็นตัวของเราเช็นความเป็นอยู่ของเรา รู้จกักชีวิตของเราคนไม่กำหนดลมหายใจไม่นั่งกรรมฐานนี้กระทั่งวันไม่รู้ไม่รู้จักว่าเราหายใจืีเปล่ากนนม้เคยมีไหมวันหนึ่งไม่เคยได้เห็นลงหายใจเล ย, ยนะต้อทําารงานไม่ยุ่งมไม่เห็นตัวจะของทั้งวันเลย <laughs> อั น, นีกลางวันเราำงานอไอไอไอคอ น, นกลางวันเราทำงานกลางคืนวันละพักก่อนต้องนั่งสักก่อนตรวจดูสักก่อน ในเวลานั้นพูดโดยความไม่หลงจะทำโดยความไม่หลงทุกอย่างบางคนเห็นว่ามาอยู่ป่านี่มันทันสมัยอาจจะมาว่ามันทันสมัยดีกว่าคนคนอยู่ตามป่าเป็นธรรมชาติที่ทำความสงบในประทับใจเราอยู่ได้ยินเสียงนกมันร้องได้ยินเสียงสัตว์มันร้องก็สบายสบายถ้าเข้าไปในเมืองดมีเสียงคนร้องสบายปื่อนก บางทีก็ทุกข์เกินไปลหลงไหลเชียงนกมันร้องเนี่ยสบายคือธรรมชาติคือธรรมชาติ <c oughs> การทำวันนี้การพอทมนี่ยทบุญนี่เมืองไทยก็จเการทำบุญหรือพุทธศาสนานี้พระสงฆ์เป็นพยายนจากทับสนังเป็นสมณะที่สงบเขามานั่งในบ้านใจเราสบายสงบด้วย พอจิตใจของเรามันมันชอบตามอย่างนั้นอยู่แล้วยังก็ไปด้วยเขาโชมวยกันทีไปดูเขาโชมวยกันเนยไม่เป็นคนชุกมวยมดตุกคนหนึ่งเห็นป้ายท่นพูดมีธรรมะสงบมีศีลธรรมมีสติในใจของเราโหเราเดี๋ยฟังก็เย็นตาเห็นก็เย็ น, เ, นเย็นไปถึงใจเราเด้ิธีนี้ทา่านว่าทาให้ใจสบายขึ้นเป็นเรื่องของการจะทําบุญฉะนั้นท่านจึงให้วันหนึ่งเกิดมามันวุฒิเราให้ได้ทําบุญ น้อยกว่าจังมันอย่างน้อยก็เอาเอามาเมล็ดข้าให้มดกินือก็ได้หรือเอาให้นกกินก็ได้เอาให้ไก่กินทุก็ได้ทุกทุกวันพยายามทุกวันทุกวันให้มีวันหนึ่งให้มีเลยวันนี้เราจะเลือกจะทำบุญอะไรเนาะอย่างน้อยไม่มีอะไรให้ให้ทานมันยังเออวันนี้เราจะทำใจให้สบายที่สุดใครมันโกรธใครจะว่าแล้วก็ช่างมันเอ้เราจะทำใจสบายที่สุดอย่างนี้ก็ได้ดีไหมโว ทำบุญนี้เราเราเคยได้ทําบาปก่อนมีมันถ้าทําบุญมันให้แข็งแรงมันรางร า, างบาปรางบาปได้ไหมหรือว่าเราจะดองได้ผลของบาปนั้นด้วยไหมได้ในปัะจุบเนี่ยอสิ่งที่ทํามาแล้วมันเป็นอดีตนนเนี่ยอย่ามาคิดมันได้ทิ้งไปไหม ค, คิดมาแล้วก็ไม่ได้ผลครั บ, รบทําอย่างนี้ถ้าทํามันดีขึ้นดีขึ้น ด, ขนนดีขึ้นใจมันเลยสบาย ไอ้สิ่ที่ทำมาแล้วมันเข้าตามไมทันต้องหายกันไปนะที่นั่นนะมันชงใสถ้าเราดูเรา ล, ล, ล, ล ะ, ละาจะไม่เป็นคิด น, นันนน้นใ่ไหนหมดนะ น, นละบา ป, ปไปตาน้าเลเนี่ยนกตัดออกนน้อยไม่หยุดตัดไปเนี่ยหมดเนี่ยนะัดก็มาใ่คือความดีนั่นเองแหละถ้า<ะ>มุความดีจแสร้างอย่างวันนี้ในกี่กระทุญวันนี้นะคนทุกคนวันนี้คงนี้ เขาในรับประทานขนมที่นี่เนาะบสบายไหมบุญคนเดียวทําคนอื่นเป็นสุขหลายหลายเลการยอมเชื่อจะด้ไเห็นแก่ตัวเมื่อกี้พอทำก็สบายใจพรุ่งนี้ก็สบายสบายเพาะได้ทาความดีแล้วเอคนทั้งหลายนี่ทําเป็นเหตุนในใจสบายหมดเลยถ้าถ้าให้คนเราทําบุญคนใจบุญคือคนใจดีใจบาคือใจไม่สบายใจใจไม่สบายแล้วก็ คำพูดก็ไม่ดีพูดในคนทุกคนนั่งเปลี่ยนมดพูดไม่ว่าจะคนนี้ชื่อนั่นบานงคนนั่งเปลี่ยนเห็นไหม <laughs> <laughs> นั่นต้องอาศัยการนั่งสมาธิเหมือนที่จะรู้จากหลายอย่างรู<อ>้หมดทุกอย่างจำพยายามจัดที่บ้านทำห้องนี่เลยรักษาโรคจิตรวมพอได้ถูกถึงบ้านอะไรปัน มีเคยได้ฝันไ่าแล้วฝันถึงอะไราได้ใช่ฝ้ายใช้ฝันหลายนึกว่าฝันว่าสมัยนี้มีน้อยมีฝันน้อยคือใจมันมันสบายมันตื่นอยู่มันฝันไม่ได้คนฝันหลายคือคนอยากหลายหลายแล้วตคนอิจฉาคนนั่นเกลียดคนนั่นอะไรนี่มีฝันนิดน้อยนิดมากต่อไปอยจะพยายามใหม่ให้มันฝันเลยนอกจากฝันดีแล้ครับ ฝันบ้าแห่ฝันแล้วถึงขานึงนะเขาถามก็ฝันฝันบ่้อยมาแค่ไดนฝันตะว่ามีเพือนเืนที่ฝันเรื่องขึ้นสวรรค์ไปสู้เทวดาอะไรมากไหครับอยากรู้ว่าดีมันสำคัญไหมครับไม่ฝันนี่สำคัญมากคือคือคนที่ฝันมากก็มีมีคนมากโกหกมากมีอารมณ์โกหกมาก อารมณ์ความรักความเกลียดมันโกหกมากแต่เราไม่นอนนะเมื่อเรานอนอะไรสิเงี้ยโกหกมาก่อนโกหกะพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่าในฝันฝันนะในฝันท่านตื่นคือท่านมาในดับคนดับก็ต้องฝันจิตใจท่านตื่นอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอารมณ์มากหกจิตใจของท่านไม่ได้กลัวท่านไม่มากวนท่านดืมตายยังมันก็กวรไม่ได้ดับตามันก็กวรไม่ได้ เอาเงินดีไหมคนธรรมดาวก็ฝันมาในฆ่าคนโนนยิงคนนี้ในชกคนนั้นในวุ่นวายมาเชยมาเนอนเี๋ยวเิ่มเอิมมาอ้อฝันไปอ่ะร่มชอบสบายใจไหชอบครับชอบชอบจะทำใหใจถูกนะเออเท่านั้นแหละก็สบายเท่านั้นแหละเคยไปอินเดียหรือเปล่า าปีกว่าครับอินเดียอยูอินเดี ย, น, น, ดยนะครับรู้สึกงไงไมันไปอินเดียรู้สึกยังไงัหมรู้สึกเกิดปัญญ า, า บ, นะบ้างนะเห็นไหมมีมีมอาจารย์สอนชื่อดีมคารลีบามาที่เป็นอาจารย์ที่ดูชื่อเสียงสอนดีๆด้วยครับจุกษกมุนิตระมุนิตระรู้จักครับ ไปอินเดียมีคนนีนะอินเดียมีคนรวยไหมมีบ้างครับมีคนมีคนเซธีมีคนมหาเซธีก็มีมีคนจนไหมคนจนหลายหายคนรวยดอยๆแต่ว่ามีทั้งสองมีคนขอทานไหมหลายมีคนให้ไหมดีครับคนใหมีคนกอดานอย่าดีครับเออเขาว่าคนอเมริกาบางคนเขาว่า อินเดียเน่ยสบายกว่าเ อ, อเมริกาคนอเมริกาถ้าคนอเมริกาบางคนอนเมริการวยแต่ว่าทุกทุกใจหลาอ่เาอเอ้ย อ, อินเดีย เ, เขามีเขามีความไม่ทุกข์เพราะใจมัคิดมากมันมีอารมณ์มากอเมริกาเนี่คนรวยมากแต่คนไม่สบายใจ <c oughs> ทำไมเจ๊งน่ะ <c oughs> ห้าปีนนะ อปหาพรรษามาเลไปทําอะไรอยู่ไปทําอะไรอยู่ไปศึกษาไปศึกษาทํามะธรรมะแเ่กลับไปอินเดียแล้วกหมดหมดทางไปแล้วจบจะมาก็จะมาจะพยายามไปอินเดียมาอเมริกาก็จะไปนิวยอร์กจบแล้วจบ้านศึกษาล้วทีนจบแล้วจบแล้วไม่มีที่ไปแล้วจบเล้ นี่เดียวเปการศึกษาไม่ต้องไ่เรียนไปศึกษาอืจะทํากรรมฐานห้าปีอะไะอะไรบางท่านพิเบสเดียวหรอครับปฏิบัติครับปฏิบัติในทางศาสนาพุทธพิเบสครับเซนเซนทําทําปฏิบัติตามสาธิปฐานด้วยไปเรียนตรัสสอนด้วยครับ ละเรียคงจะไม่มากแต่มันเลยมนก็าาเขาบอกว่าพระเจ้าต้รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันยาบานครัอท่านนีห้องกรรมฐานมาดีบอกว่าดีดีทรันี้ดีมากเลยฮะไออาจารย์กรรมฐานไปได้หลายเนี่ยี้ไปศึกษา เป็นศักย์ยา เ, เป็นเหมืองที่พิเศษบ้างครับศักดิ์พิเศษโดยมากอาจารย์กรรมฐานเมืองไทยมีแต่สอนคนดนเจ้าของมาดูจากกรรมฐานในใจดูหนังสือก็ไปสอนกรรมฐานคราวนีมื่อนกันก้งที่ท่านนาอาจารย์เช่นท่านมาวันนั้นนักปริยัตยิก็ถามอะไรก็เกิดมาจะกิดเกิดมาจะกิดหมดกิดหมดท่นนึกว่าเกิดมาจากกิดเดิมนักปริญญาถว่า นเคิดเดิมมันเกิดมาจากที่ไหนนักประหยัดงงเลยกลัวอาจารย์กมฐานเป็นเจ้าจรินเดียวเปทำปัญญาระวงังอาจารย์กรรมฐ า, ามนระวังดีๆเถอต้องไปศึกษาดีๆดีไอความรู้สึกนึกคิดในใจอแต่มาว่ามันไม่แน่นอนแต่ว่าชาวอเมริกันเนี่ย ม, มันมันวุ่นวายหลาย มาดูแล้วกับมันคล้ายๆกับแม่น้ะมาเดียวกันครั้งนี้มันร้อนๆครั้งนี้มันเย็นตามมาถึงใจชน บ, บทอย่างนี้มาเห็นโอ้ยเดือมไสหลาย ใ, ใจหลายมาเห็นญาติโยมทําห้องก็มาฐานไว้อย่างเงี้ยดูเปเลิศเนี่ย น, นี่ครับเป้าน้าทรับรองว่าใจดีก็โรงพยาบาลโลกประสาทเ้าดีดีนี่แท้จริงของพระพุทธเจ้าของเราเป็นนายแพทย์ใหญ่ทีเสุด<จ>ดีอยู่องนี่ดีเลย ไใ้โยมนั่นน่ะโยมที่ น, น, น, น, นั่นแม่บ้านนั่นสามว่ามันเช้ า, านี้ฉันจะสอนลูกยังไงดีคเนื้นว่างั้นอาตมาไปบอกว่าสอนแม่เนี่ยกับพ่อนี่นะมันดีลูกมันไม่ยากหรอกลูกมันตามพ่อตามแม่เองมันไม่ต้องเข้าใบาสอนอะไมันยากอะ่ะพ่อแม่พูดใหดีทำให้ดี นี่ลูกคนก็นมองเห็นเช่นั้นแหละเราจะบอกเราอธิบายเรื่องเสียนด้วยมายสำหรับแด็กแดกแดกด๋อยหรือ ว, ว่าให้ตามพอแม่ได้แล้วบอยเราให้มันดูจักภาษามันก่อนการสอนคนไม่มีแต่คําพูดสอนมันแต่การกระทาการไปการมาการกระทํำทุกอย่างเป็นคําสอนทั้งนั้นมันมันมันก็แปลกนะอินเดียมีคนจนมีคนขอทานเนยอะ S <S <S ก็มีคนไห้เยอะเหมือนกันครับดีครับซึ่งว่าจะอยู่ไม่ได้นะเ <C AP> มืองนี่มันหนาวจัดก็มีคนอยู่ได้ครับเมืองไทยมีความร้อนก็มีคนอยู่ได้ครับอืธรรมชาติมันก็มันธรรมะธรรมะคนท้าสอนชั้นลาบากลาบากมันยากทําไม่ได้ครับ <C AP> <c AP> ไม่จิไม่จริงเมื่อเราเข้าไปทํานี่ยมันมีความสบาย <C AP> มีประโยชน์มันงเนาะ มันงอเมริกาเนี่เมืองเร็วเร็วมากคนชอบทดลองทุกอย่างนี่มันทดลองูเหานี่วมหะที่ใดเพิ่งเข้าหรอจับมันไป่ได้โอ้ที่บีอ่ะอยากชอบทดลองชอบเที่ยวเมือเมริกานชอบไปชอบเที่ยวชอบไปทุกที่ ผู้งผู้ชายออกอะไรตะพายเหมือนเหมือนธรรมาทานนี่ไปขออโหสิบุตรศากลับรื่นเป็นคนฉลาดเหมือนกับธรมท า, านพระพุทธเจ้าของเรามาบทธรรมาทานศึกษาต่อเที่ยวไปในป่าในโลกในบ้านน้อยบ้านใหญ่ไปที่ไหนกลัวไปที่ น, นั่นบาทีนั่งธรรมทานเสือมือเปล่าโอ้โอ มันจะง่วงนอนง่วงไม่ได้แต่ก็ว<ำ>่ากันอย่างนั้นยงงั้นคนคนทำกรรมฐานคนปฏิบัติธรร ม, มนี่ต้องเอาชีวิตแรกรกล้าหารที่สุดครับไม่กลัวคนจะว่าดีว่าชั่วไม่กลัวเท่านั้นมาเอาพระมาในกลุงรังดอนครั้งแรกเลยไม่มีใครจะวิจารณ์เขากลัวเขามาเมือนน่อกี้เคยตักบาตร มาถึงแต่มาไปไปกินถาบ้าเขาก็มองเพราะอะไรพวกพวกพิชณาหรือพวกนั้นเขานึ่งวันเป็นกรองตกแต่อาทิตย์นึงเจ้าหน้าที่เขาสั่งมีพวกนั้นหรอครับเจ้าหน้าที่แล้วตำรวจาล้อมชายของมาด้วยเขานี่ช<อ>าวบ้านเาุกสูตรที่พูดกันเม n ่อคนี่แะครับอาทิตเ์นึงก็ปล่อยครับ ไม่ผิดกฎหมายคือมีโทรไปอีกยินสบาดไปคือเรื่องการยินสบัดาามีประโยชน์มากคนสมัยนีย้คิดน้อยคิดว่าไปยินสบัดาาเอาขนมเอาข้าวเท่านั้นพระพุทธองค์สอนไม่มีความหมายแค่นั้นยินสบัดาาเอาคนเมือนกัเราสร้างบ้านหลังนึงสร้างเสร็จแล้วอย่างนี้มันเสร็จแต่การสร้างบ้านเท่านั้น แต่เราต้องอยู่ในบ้านต่อไปจะต้องทําความสะอาดบ้านตลอดเวลาเนอนะไม่ใช่ว่าสร้างบ้านเสร็จแล้วเราสบายแล้วไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องรักษาความสะอาดในบ้านของเราต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นคือพอเราำทำธรรมสมาธิทําแล้วประเด็นว่าเราทําสมาธิแล้ว<ม>บัด น, นี้เราหยุดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องมีสติรู้อารมณ์ที่จะมาทาลายสมาธิของเราให้หุ่นวายให้รู้จักการเดินเดินนั่งนอนในมีสติ กอคุณจ้าหน่มอย่างนั้นไม่ใว่าสร้างบ้านเนสร็จนอนสบายไม่ใช่นะเนี้อบ้านมันไม่สะอาด จ, จะทำไงต้องเช็ดต้องถูต้องกวาดอะไรต่างๆเนี่ยทําสมาธิมือนกันการการะทำสมาธิมันไม่ยากหรอกแต่ว่าการรักษาสมาธิต่อไปมันยากการสร้างบ้านก็ไม่ยากสร้างบ้านหลังนี้ไม่ที่ดีนก็แล้ว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 อารมณ์ทั้งหลายที่มันรู้ขึ้นที่จิตให้น้อมสมาไว้ที่จิตพูดพูดกับจิตเจ้าของเรื่อยๆไปศึกษาเรื่อยๆไคือศึกษาธรรมะอยู่ที่จิงสำหรับวควบคุมจิตของเราให้รู้จักอารมณ์สอบสวนอารมณ์อยู่ที่จิตของเรานี้ฉะนั้นเราจะมีมีความรู้สึกว่าเราจะได้พูดกับจิตของเราอยู่ตลอดเวลาการพูด การพูดกับจิตของเรานั่นแหละคือการศึกษาความจริงหาความแท้จริงอยู่ในจิตของเจ้ของนั้นให้มันรู้ที่จิตให้จิตมันรู้อารมณ์ให้มันฉลาดเมื่ออะไรจะมันรู้แล้วก็รู้ไปที่อะไรมันไม่รู้แล้วก็วางมันอแล้วไปทําทจิตใไว้ในจิตของเจ้าของว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดมาในจิตของเราเนี่ย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 เองมันเมื่อมันเกิดความสงบแล้วมันก็จะเกิดปัญญาความรู้ตามความเป็นจริงในที่นั่นเองเปรี่ยวกว่าการปฏิบัติธรรมใน mm hmm. ความเป็นจริงนอะเรื่องที่ความวุ่นวายทั้งหลายนั้นซึ่งมันเกิดในจิตของมนุษย์นั้นอคืออ่าไปรับเอาเรื่องมาจากอายตนะ <c oughs> คือโห มันก็นำเสียงเข้ามาอมจมูกมันก็นำกลิ่นเข้ามารีบมันก็นำรสเข้ามาร่างกายก็นำโกรธสักเข้ามาอารมณ์มั่งเกิดทางจิตก็นำเข้ามาที่จิตของเจ้าของนั้นอจิต ม, มารับรู้ว่าเป็นของของตัวทั้นั้นไม่ปล่อยวาง ให้ความจริงหูมันนํามาก็ให้หูเชียวจมูกมันตามมาก็ให้จมูกเชียวริมที่มันตามมาก็แหย่ริมมันเอาไปเชียวจมูกมันตามกลิ่นมาก็ให้จมูกมันเอาไปเชียวริมมันเอารถมาก็ทิ้งให้ริมเชียวร่างกายมันเอาปัสสาวะมาก็ที่ให้ร่างกายเชียวทําอารมณ์ที่มันเกิดกลับกี่ก็ทิ้งให้มันเชียเท่านั้นเนี่ยหนึ่งก็เอาของของเข้ามาทํามันก็เกิดยุ่งเท่านั้นเนี่กว่าการปล่อยวาง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 มีปัญหาข้อข้องใจไหมในการกระทำสิวันนี้ฟังเสียงของล่องเพลงหรือว่าดนตรีแม้แต่เป็นแบบข้องศาสนาต่างๆที่เขาทำจะเป็นเหตุให้เป็นมาลำคาญจิตใจของเราอย่างไรนะครับ ถ้าเรารู้ตามความจริงๆมันแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรจะมาลาคาญกับเราเลยไม่มีไม่มีเสียงอะไรจะมาลาคาญเลยไม่มีอะไรจะลาคาญในโลกเนี้ยใครจะร้องราทำําเพลงอยุทธไนกเขาช่างเขาจะเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราทำไมไม่มีอะไรจะมาลาคาญเลยนี่ยทําทไมถึงพูดอย่างนั้นจะอุปมาให้ฟังอ่าเนี่ย น้ำขวดเดียวกันเนี่ยน้ำท่านี่พอใส่ในขวดเดียวกันนี้น้ำมันก็ใส่ในขวดเดียวกันเนี่ยมันคนละครึ่งอยู่กับกันได้ไม่ลำคาญน้ำมันก็อยู่กันน้ำท่าก็ได้น้ำท่าอยู่ก็น้ำมันก็ได้ไม่แย่งกันแต่ว่ามันไม่ปนกันมันไม่ซึมซาบต่อหากันอันนี้คือมันกันฉันนั้นเมื่อมีจิตอันปล่อยวางแล้วเสียงมันก็เป็นเสียงกลิ่นมันก็เป็นกลิ่นมันในคนเดที่ไม่ลำคาญ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 เธอยากจะฟังมันมันเกดแล้วครับไม่เอาไม่ใช่ว่าห้องพารอดมันกูอนเดาเอาไว้ในบ้านครับชอบงดูว่าวันตายมันดแล้วเขาไม่คือเขาไมยาจะปล่ยวางอยากจะิบัแล้วฟงด้วยไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ทไมมันจะให้มันทุกข์าทไมมันอักิบัตมันสุขทาไมไปห้ไปติดสุขหรือเราปฏิบัติเอาสุขหรือเอาทุกข์ไหมเราเอาสิ่งที่เราชอบใจหรือเปล่าเนี่ย รดนีเราชอบใจเราก็ทํารดนตีมันพอใจสบายมันก็ติดสุกอยู่นั่นแหละมันเป็นการมันสุขนี่การมีโยโคหรือไม่แล้วต้องคิดไปนั่นดิอันนี้มันเรื่องที่เดียดของเราเราก็ชอบอยังไงมันจะทำไงเด็กบางคนบอว่าฟังมันโทษบางคนบางคนฟังฟังยังมือนให้ใช่ใช่มันคนมีปัญญาไอ้คนที่มีปัญญาเขาจะมาด่ามันก็มีปัญญาหรอกเขาจะไม่ร้องเพลงให้ฟังมันก็มีปัญญามันมีมีทางเสียหายอะไรหรอก อันนี้เราเอาออกไม่ได้เราชอบมันอยู่เนี่ยถ้าเสียงไม่ไพเราะเราก็ไม่ชอบมันใช่ไหมแต่เสียงดนตรีที่เราเราชอบมันเราปรติเมันใช่ไหมนัม่นเป็นอยู่อย่างเนี้ยถ้าหากว่าชอบไม่ชอบก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนั้นไม่มีอะไรใครจะว่าดีว่าชัว่วให้ก็ช่างมันนั่นที่ปล่อยแลยว้วนั่นแล้วพูดเอาจริงขนาดนั้นเราจะเอาเรื่องเรื่องที่มันสนุกสนานหมาเป็นสมรมฐานของเรานั้นเนี่ยมันก็เด่นกินตารมัสุคานิการมนโยโผไม่รู้ตัวใช่ไหม อย่างนั่นเราก็ปฏิบัติเอาสุกสิเมื่อเมื่อไม่มีรบนตีมาเล่นนั่งก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่สบายใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสินี่ชนคขาเถียงเขาของเขาแล้ว ม, มันเคลื่อนไหลอนี่แหละมันเป็นเงี่ยอือก็เหมือนที่เราเดียวกว่าเอยอืีมีเมียก็ดีแล้วมันทุบแล้วก็สบายมันออกแลมันจะเป็นอะไรอย่างเนี้ยอือมันก็ถูกของกูตัชนเนี่ย แต่มันไม่ถูกของอริยชนนี่ออารมณ์นี่ก็อย่างที่เราว่าให้อรมณ์หายใจสอบทั้งหมดไม่ค่อยสบายนะวัดก็เอาเสียงดนตรีไพเราะมาฟังสบายดับไปว่างตื่นไปว้างอย่างนั้นเดีอยวยังงั้นมันสงบนอกเรื่องมันอืสงบนอกเรื่องมันแต่ว่าไม่มีเสียงดนตรีแดียวมันก็วุ่นวายอ อ, อันนี้ก่อน้นที่สุดให้ใหอาไปพีนาเอาเองเนะ ถ้าชอบอย่างนั้นก็ได้เก็บเี่วจาตหรึ่งปีก็ได้วันนี้เรียกว่าได้สร้างประโยชน์โดยสมบูรณ์นะวันนี้ไล้ฟังธรรมะแล้วก็ได้ทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็มีข้อข้องใจสงสัยเขามีพระสงฆ์นั่งอยู่ต่อหน้าปกานทั้งหลายนี้ก็ให้สงสัยถามปัญหาตามสบายตามความรู้ความเห็นโอกาสอย่างนี้หาเลยาก อีก ต, อต่อไปนี่จะหาอย่างนี้เลยยากอันนี้ก็นับว่าเป็นโชคของเราท่านทั้งหลายแล้วที่เด้มาแก้ปัญหาข้อก้องใจของกศือทั้งหลายวันนี้ก็นับว่าเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ไพฐานต่อ น, นี้ไปก็จะหาโอกาสอย่างนี้ก็หาในา ย, ยากฉะนั้นจึงจะมอบภาระสุรจิติการกระทำที่จะทำกรรมาฐานวันนี้ ที่พูดธรรมะในวันนี้ให้พวกท่านทั้งหลายฟังแล้วจงรับไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติให้แยบคายถ้าความสงสัยเกิดขึ้นอย่ามองไปข้างนอกมองเข้ามาในตัวของเรานี้หาในที่ดวงจิตของเจ้าของนี้ทางนั้นมันยุงอยู่ตรงนี้มันจะสว่างอยู่ตรงนี้มันมืดอยู่ตรงนี้มันจะสว่างอยู่ตรงนี้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 ชื่อยังนั้นคนนั้นอ่ะเคนหนึ่งสองสามสีคผมพูดในเทปครับือยงนั้นคนนงนนน่นนี่คน all of you that have come here to to listen i and, uh, and participate, h e d like me to <laughs> record each and every one of your names. So this is Ocean, the owner of this uh, house. Is that right, Ocean?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 มีมีแต่แคทลีนนะครับบอกอะไแล้วครับบอกแล้วเกืจบแล้วเกือบจะจบแล้วนะครับบอกมันมีจบแค่นี้บอกแล้ว so that's the <S yeah. end completion of this day ม yeah? right? yeah? okay. uh, okay. ีวจิตตาคนเดียวเนาะสิมาฟังครับมีวจิตตาคนเดียวเป็นที่สาการังว่วไม่ว่าโตทินนางเปทานางอุปตะปัด อิตตังปิตังุมังิปเมวสิทธิโตสเพปเรนโตสังกปายันโทปนาราสยามณโชติราสยเบติโอวิจันโตสะมาโรโกยะกัโต โมตัมญาณินุตารวะดัมมวะดัีอายุโนุขังมารามยุทมรโทโรวนโตีบาโสุขตตเมตวสุขังสวิกติ อาโยน a ตวะบารังวะนังโลกัญชาปฏิ a าระโทน d อาโยยตวะโหต t ยตาโยตุปปัตติติมวะตุสัปมังรังพระคันดุสัปป s วตาสัปปะบูดาลุ n ะเวนะสันดาสติภวันติ บาวะตุสัปปะมา t ากราคันตุสัปปะเทวตาสับะ a ัมมานุปะเวนะสันดัสสุทีภวันตุเตบาวะตุสัปปะมาลากราคันตุสัปปะเทวตาสับะสังกานุปะเวนะสันดัสสุท มาวันโดเดยคุณทอมไหมครเอากล้องมาถ่ายไว้ Enough, เอาไว้บ้านนะครีนะถ่ายรวมไว้นี่ทอมทั้ง่ายทั้งพระพระเลครับทั้งหมดหรือทั้งรวมได้นี่ครับนี่ก็ลงกําไว้ถ่ายนี่ถ่ายเลย